ก, การพระคุณเจ้าที่เคารพนะคะอนุโมทนาบุญต่อคณะกรรมการจัดงานในคราวนี้ทุกท่านที่รู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยกันมากๆเลยนะคะก็เป็นงานบุญยิ่งใหญ่ที่ที่ไม่นึกว่าจะมีใครจัดได้ถึงขนาดนี้นะคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากหลายฝ่ายว่าเป็นงานที่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้อะไรดีๆแล้วก็ได้ความประทับใจดีๆมากมายค่ะ อีกทั้งก็อนุโมทนาบุญต่อทุกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมได้มาร่วมศึกษาเรียนรู้ธรรมะแนวทางของหลวงพ่อเทียนในในกิจกรรมคราวนี้ด้วยนะคะดิฉันสินีนาศประเสริฐพักดีจากชมรมเพื่อนคุณธรรมไม่ทราบว่ามีใครที่มางานนี้โดยที่ทราบข่าวจากทางรายการตะวันทอแสงบ้างไหมคะขอข อ, ข อ, ข, อขอมือหน่อยคะ่ะ พอมีนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็ได้ประชาสัมพันธ์งานนี้ผ่านทางรายการตะวันทอแสงซึ่งจากทางคลื่น AM 9 4 5กิโลเฮิรซ01บินบุรีมาเป็นเดือนแล้วนะคะเรียกว่าตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันที่จะประกาศธรรมของหลวงพ่อเทียนอย่างอย่างเต็มที่เลยค่ะแต่ก็อาจจะจำกัดอยู่ที่เท่าที่สื่อที่เราพอจะทำได้นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ เพื่อนของเราหลายคนตั้งใจที่จะฟังทำจากอาจารย์กำพลนะคะเมื่อวันก่อนทางทีวีไทยได้สัมภาษณ์อาจารย์กำพลไปวัดแรกที่เปิดงานนะคะได้ได้ใช้คําพูดว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนนะคะก็ไม่รู้ว่าอาจารย์กำพลเนี่ยรู้จักหลวงพ่อเทียนมากน้อยแค่ไหนมีมีใครอยากทราบบ้างไหมคะเดี๋ยวจะให้จารเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนจริงๆหรอคะ ก่าบตรรมส ก, การ์พระคุบาอาจารย์แล้วพระกุญจ้าที่กรลบแล้วก็สวัสดีญาติธรรมผู้ดีปักฝ่ายในธรรมะทุกทุกท่านวันนี้เริ่มต้นก็มาเรียกอะไรนะมาไขาข้อข้องใจเลยนะเหมือนรายการที่เขาสัมภาษณ์เมื่อวันนะั้นว่าไงนะ ในการที่เขาสัมภาษณ์ทางทีวีตอบโจทย์วันนี้ก็ตอบโจทย์อันที่จริงแล้วผมไม่เคยเห็นหลวงว่าเทียนมาก่อนชัดคะแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่เคยสนใจธรรมะด้วยแต่ก็โดยบังเอิญที่คุณพ่อเนี่ยสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสติ ก็ไปพบหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามนายเริ่มต้นจากวัสนามสนามนายถ้าเขาไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ไปทุกอาทิตย์เลยแล้วก็นำเอาธรรมะมาให้ผมได้ศึกษาหนังสือเทปคาสเซ็ตก็ทำให้รู้จักหลวงพ่อเทียน จากการได้ฟังสื่อแล้วก็ได้อ่านหนังสือนี่แหละครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องกล่าวว่าอาจารย์กำพลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรโอถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะอืก็ลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าทุกรูปที่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เราเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหลวงพ่อเทียนจิตสุโภท่านเป็นปรมาจารย์ในด้านการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการเจริญสติแบบนี้จากครูบาอาจารย์ท่านใดก็ไม่ต่างกันนะคะก็ราวกับว่าเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเทียนเหมือนๆกันนะคะอาจารย์ครับค่ะ อาจารย์เองเนี่ยอาจจะไม่เคยได้พบกับหลวงพ่อเทียนตัวจริงมาก่อนแต่ขอคุยนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ mm hmm. นะคะคือว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสกราบหลวงพ่อเทียนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วมากกว่านั้นเนี่ยได้ฟังธรรมที่ท่านสอนด้วย mm hmm. ก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นลวงตาธรรมดาธรรมดาจริงๆคะ่ะแต่ในความธรรมดาของท่านนั้นน่ยมีความไม่ธรรมดาอยู่มากมายนะคะ ความธรรมดาก็คือท่านเป็นเหมือนหลวงตาที่ไม่ค่อยรู้หนังสือนังหานะคะแล้วก็ภาษาที่ท่านใช้ถ่ายทอดเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าสำหรับตัวเองซึ่งมีพื้นฐานภาษาอีสานอยู่บ้างก็ยังฟังเข้าใจยากอะค่ะเพราะว่าสำเนียงท่านจะเป็นสำเนียงทางเลย แต่ตัวเองเนี่ยอยู่ทางอุดรห น, นองคายก็จะฟังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ต้องตั้งใจฟังมากๆแต่สิ่งที่เราเห็นจากหลวงพ่อเทียนในหลายครั้งหรือทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมจากท่านก็คือท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ขยันสอนตั้งใจสอนแล้วก็เอาใจใส่ในการสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้านะคะหรือว่าจะเป็นคารวะอย่างเราเราก็ตามทีนะคะท่านตั้งใจตั้งอกตั้งใจจริงๆหายากมากเลยคะ่ะที่ครูบาอาจารย์จะ ตั้งใจสอนอย่างนั้นนะคะเราก็ว่าท่านคิดว่าท่านมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนะักท่านอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เท่าที่ท่านจะสามารถทำได้กระนั้นเลยละค่ะนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังสักนิดนึงค่ะปกติแล้วนะคะอาจารย์กมพลคะเวลาคนเราเนี่ยจะทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองเนี่ยนะคะเราก็มักจะเริ่มจากให้ทานรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาส่วนอาจารย์กำพลเองเนี่ยเป็นคนพิการจะให้ไปทําบุญให้ทานตามวัดหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายถ้าไม่มีใครยกพามาแบบวันนี้นะคะถ้า mm. อาจารย์มาเองก็เป็นไปนไม่ได้นะคะโชคดีที่มีน้องๆทางทีมงานของชมรมเพื่อนคุณธรรมเราช่วยยกพาอาจารย์มาอาจารย์ก็จึงได้มีโอกาสมาอาจารย์จะไปทําบุญให้ทานรักษาศีลอย่างคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ ที่สะดวกเลยนะคะจริ่งทําไม่มีรถส่วนตัวด้วยนี่เรียกว่าจบข่าวเลยค่ะไปยากมากนะคะเพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนพิการไฮโซค่ะถ้ารถแท็กซี่ธรรมดานดิฉันขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามีประตูน้อยไปค่ะมีแค่4ประตูอาจารย์จะต้องขึ้นรถมีระดับค่ะต้องมีรถ5ประตูถึงจะขึ้นได้เพราะว่าจะต้องใส่รถเข็นซึ่งก็คันน้าหนักไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไปไหนก็เรียกว่าไม่ไม่สะดวกเลยอะคะ่ะถ้าเทียบกับคนทั่วไปละและอาจารย์จะ ทำบุญให้ทานก็ยากจะไปไหนมาไหนก็ลาบากจ ะ, จะเจริญสติแบบคนทั่วไปซึ่งถ้าเผื่อว่าจเจริญสติแนวอื่นเราก็คงทราบกันดีนะคะจะต้องนั่งเท่าที่ในท่าสมาธิอะไรเงี้ยจะทําไม่ได้อะคะ่ะแล้วอาจารย์ปฏิบัติทําได้ยังไงล่ะคะผู้ต่อเรื่องศรัทธานะที่คุณศรินินาชนบอกว่าถ้าเราจะไปทําบุญให้ทานเรามักจะไปด้วยตัวเราเองที่จริงขอถามจริงๆกันว่า เราไปด้วยตัวเองหรือมีใครชวนเราไปมีหลายประเภทนะถูกชักชวนแบบเสียไม่ได้ก็มีใจคิดจะน้อมไปทำบุญเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต้องมีคนช่วยปลุกศรัทธาไม่ได้ปลุกนะปลุกเออผมก็เช่นเดียวกันนะประเภทต้องปลูกศรัทธาเพราะไม่ได้เห็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาเลยก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยปลุกศรัทธาคุณพ่อช่วยปลุก คุณแม่ช่วยลดน้ำสตาเลยเติบโตมาอาหารมาสนใจธรรมะแบบว่าไม่มีทางไปเรา อ, อยากเรื่องของธรรมะอย่างเดียวแล้วสนใจธรรมะนี่ไม่ใช่ในแง่ของการปฏิบัติเลยนะมันยากการปฏิบัติเนี่ยนึกถึงภาพแล้วโอ้ผู้ปฏิบัติจะต้องนั่งนิ่งๆเดินช้าๆผู้ค่อยๆหน้าที่เครียด โอ้นั่นมันคืออ่ะมันคือคือนักปฏิบัติจริงเราก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแบบนั้นอ่ะมันเป็นนักเก็บกฎน่ะก็ไม่เอาก็เลยภาพนักปฏิบัตินี่ไม่สนใจแต่สนใจหลักธรรมโอ้อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะแล้วมันได้รสชาติหลักธรรมแต่ทุกมันไม่คลายนะทุกมันไม่ลดลงอ่ะมันหลอกให้จิตเราธรรมะหลอกให้ติดเราเนี่ย พอนคลายชั่วขณะเสร็จแล้วก็ต้องไปทุกข์อีหละก็ต้องหันเหมาปฏิบัติโดยเสียไม่ได้ <c oughs> คือมันเป็นยาขมนะไม่แต่ต้องกินนะยาขมกินแล้วมันทำให้หายโรคได้ก็เนี่ยก็ตามคำแนะนาของคุณพ่อคุณแม่เนี่แหละบอกลองลองทำสมาธิโดยธรรมดานแล้วอีเลบทของผมเนี่ยมันนั่งได้ไม่นานหรอกแล้วก็ยืนเดินเนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย สบายชวิตกับการนอนนอนอยู่บนเตียงทาสมาธิตามที่เขาบอกนอนนิ่งๆแล้วก็หลับตามีคําบริกรรมกล่อมจิตตอนแรกก็กดทับจิตใช้สมาธิเนี่ยกดทับจิตด้วยคําบริกรรมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีนะแต่มันดีอยู่ในขั้นหนึ่งก็ทําให้จิตได้สงบได้ชั่วคราว พอจิตสงบแล้วอิริยาบถนอ น, นมันเป็นท่าสบายพอจิตสงบมันก็สังัดแต่ความหลับเลยนะหลับไหลไหลสติไปเลยตื่นขึ้นมามันก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเ อ, อเราอาภัพแท้นั่งสมาธิก็ได้ไม่นานนั่งอย่างเงี้ยนั่งไม่นานถ้าหลับตายเดี๋ยมันจะโค้นมันต้องมีความรู้ตัวไม่งั้นจะประยุกตัวอยู่บนรถเข็นไม่ได้พอนอนแล้วเนี่ยมันก็อิริยาบถทุกอย่างก็สบาย ทำสมาธิฝึกมีคำวลิกรรมก็ได้แต่สงบแล้วก็หลับจิตมันไม่ตื่นมันไม่ตื่นมันซึมมันทื่อแต่พอออกจากความสงบแล้วเครียดเหมือนเดิมเพราะคิดตัวความคิดครอบงำเนี่ยจิตมันไม่ตื่นก็เลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมอในแง่เดียวว่าคือต้องทาอย่างนี้เท่านั้น ทำให้เราปฏิบัติไม่ได้หรอกแล้วก็ท้อแท้มหมดกำลังใจเหมือนกันจนกระทั่งคุณพ่อไปวัดสนามในไดน้หนังสือมาเล่มหนึ่งของหลวงพ่อเทียนเล่มที่ได้จากกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมนี่แหละสว่างกลางใจเคยอ่านไหมโอ้เล่มแรกสว่างกลางใจก็มาอ่าน สะดุดคำพูดของหลวง่เทียนคำหนึ่งว่าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดคําเนี้ยเร า, าเออมันทำให้เรารู้สึกสะดุดใจว่าไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนบอกว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดมีแต่บอกว่าเป็นทุกข์เพราะจิตใจ คนเราเป็นทุกข์พราะจิตจิตนี่มันเป็นภาพรวมนะมันว่างๆจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ฟังได้แต่ว่าไม่รู้จิตเป็นยังไงหาจิตไม่เจอแต่ถ้าบอกว่วาเป็นความคิดเนี่ยไม่เห็นความคิดเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยมันฟังได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราแลวจิตแล้ ว, วความคิดเนี่ยมันชัดเจนกว่าจิตใช่ไหมอ๋อตรงนี้เองนะหรือว่อเตียนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดพะมันคิดขึ้นมา มันก็เข้าอยู่ในความคิดเลยมันก็คิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโอ้มันเรื่องของเราแทๆ้ๆเรื่องที่ท่านพูดเรื่องของเราก็ประทับใจตรงนี้ท่า <Yeah. S 1> นก็สอนว่าให้ออกจากความคิดไม่ให้เข้าอยู่ในความคิดด้วยการทำความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเอาจิตนหนีไปไหนให้ทำความรู้สึกตัวเห้เจริญสติ นี่พอถึงพูดเรื่องจารสติที่หลวงพเตียนแนะนำไอ้การที่เราไม่ได้ไปรู้สิทธิ์โดยตรงของท่านนะเป็นรู้สิทธิ์ทางแถวถ้าบอกต้องนั่งยกมือสร้างจังหวะนั่งก็ได้ไม่นานมือก็ยกไม่ค่อยได้มันจะสร้างเป็นจังหวะเขาไม่ได้หรอกเราคงทาไม่ได้ไให้นั่งยกมือสร้างจังหวะให้เดินจงกลมเออ เดินไม่ได้ก็ก็ทำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบคือถ้อบอกว่าดูจิตคำนี้ดูมันจะง่ายนะดูจิตเนี่ยเราไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวไม่ต้องว่าฝึกเริ่มต้นจากการสร้างจังหวะเลย ร, รัดรัดไปสู่การดูจิตเลยเห็นไหมเนี่ยต้องการ ว, วิธีรัดข้ามขั้นตอนนะมันอันตรายนยนก็ลองดูจิ ต, <c oughs> ต, นนะตก็หาจิตไนะม่เจอ เพราะเราไม่มีหลักในการดูยิ่งท่านบอกว่าการดูจิตเป็นต้นทางของพระนิพพานมันยิ่งรัดคิดเอาใหญ่เลยนะยันสว่างแล้วดูไม่เห็นจิตสักทีก็นอนไม่หลับนะก็เครียดก็คิดฟุ้งซ่านมากยิ่งขึ้นก็ถอดใจแล้วเราคงปฏิบัติแนวหลวงพเทียไม่ได้เราคงไม่มีบุญแล้วได้แต่คิดเอานั้นอกจากความคิดไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นความคิด ก็เลยคิดว่าคงปฏิบัติไม่ได้อาต่ก็โชคดีที่กุศลยังส่งรู้จักกับญาติธรรมเนี่ยกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยส่งหนังสือลงวงพ่เทียนไปให้บ่อยมากหลงวงพ่อเตียนแล้วก็กคำเขียนได้ศึกษาธรรมะจากหนังสือที่ทางกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมก็ในคุณอะไรคุณมลวิภาเนี่ย เป็นผู้จัด ก, การอยู่ในกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเ่าเป็นผู้ที่บริหารจัดการแลก็เขียนจดหมายไปคุยกันจะทํายังไงดีเราอยากปฏิบัติธรรมแต่ไปฏิบัไม่ได้สักอย่างเดียวทําสมาธิก็ล้มเหลวจริสติก็ไม่ได้ก็เธอก็แนะนําลองเขียนจดหมายไปคุยกับหลวงพ่อําเขียนดูสิถ้าอยากปฏิบัติธรรมแล้วก็ ก็เขียจดหมายไปกุยลงเาะควมเขียนเพราต้องการแนะนํานะไม่เป็นไรหรอกคนพิการ น, นอนปฏิบัติธรรมก็ได้มามันถูกจริตเลยนอนปฏิบททัติธรรมนอนทําความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวพลิกมือเล่นๆให้พลิกมือเล่นนะไม่ได้เอาจริงนะพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของมือที่พลิกไปามาเออมันก็มีทางออกนะ ที่จริงเราเรารู้จักวิธีแนละ้วเราเข้าใจนะเรื่องการจตรู้สติเนี่ยเข้าใจถึงหลักการมากเลยแต่วิธีการเนี่ยเราไม่เข้าใจไม่มีใครเริ่มต้นไม่มีครูบาอาจารย์มันก็ไม่มีความมั่นใจอะอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่อยู่ที่วัดห่างไกลครูบาอาจารย์มันเริ่มต้นไม่ถูกนะแต่มีครูบาอาจารย์แนะนำว่าล้องเนี่ยนอนพลิกมือเล่นแล้วรู้สึกตัวเนี่ย พอเริ่มทํามันก็เริ่มได้ทางนะเหมือนเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราจะไปไหนเนี่ยอยากจะไปไหนเราไปไม่ถูกแต่เราไม่ยอมออกจากบ้านเลยลองเดินไปหน้าบ้านเดมันจะหาทางไปได้ให้เริ่มต้นก้าวแรกเท่านั้นเองไงก้าวต่อไปมันไม่ยากหรอกพอเราเริ่มพลิกมือรู้สึกตัวเนี่ยอ้ามันมีทางเดินมีทางไปเนี่ยชีวิตมันมีหวังแล้วก็อิยาบทนอนนั่นแหละนอนจเจริญสติ อยู่บนเตียงแต่ไม่ได้หลับนะเนี่ยตอนนี้ต้องสำคัญนะเนี่ยนอนจรตริเสิอยู่บนเตียงเนี่ยสมมุติว่าญติธรรมเนี่ยไปไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเนี่ยท่านจะเจรตริญสิอย่างไรบางคนบอกว่ามันทำยาก เ, ยเพราะมันไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวแต่ทำได้ น, นอนพลิกมือเนี่ยจะนะนำวิธีการให้เลย วิธีของผมเนี่ยมันสารก็เลยมันสาธารณะใช้ได้กับทุกคนนอนเมื่าเราไปไหนไม่ได้นอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายก็รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำก็รู้สึกตัวมันมีการเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้มีการเคลื่อนไหวและมีสติเข้าไปรู้การพลิกมือเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ ให้มีสติรู้ที่การเคลื่อนไหวของมือขยับไปขยับมาฝึกตรงนี้ละ่ะแล้วก็พลิกไปเออนี่มันมันฝ่ามืออรหันต์นะเนี่ยมันก็มันก็มีกำลังใจนะเโอ้พลิกมือขวาพลิกมือซ้ายเคลื่อนไหวอยู่ในท่านอนนั่นละวันละหถึงเจดชั่วโมงนะในรูปแบบนะวิธยการพลิกมือเนี่ยวันละหถึงเจดชั่วโมง 6ชัออ่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าว่ากว่ากันนอนพลิกมือไม่ได้หลับตาไม่ต้องบริกรรมนอนไดน้แ า, สา่สบายๆแต่ไม่ได้หลับพริกมือพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วมันปวดปวดแขนมากเลยนอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่คิดมากมันเคลื่อนไหวมือมากจนปวดแขนแขนสองข้างนี่หนักมาก เอามือวางไว้ตรงไหนมันก็ไม่สะดวกมันก็ไม่หลับไว้ตรงนี้มันก็ไม่หลับวางตรงไหนก็ไม่หลับมันปวดเลยนอนตั้งมือออย่างเงี้ยแล้วก็หลับ <c oughs> ตื่นขึ้นมามื อ, อยังตั้งอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันหลับได้นะมันปวดมือนี่แค่นอนพริกมือแล้วต่อมาเนี่ยเราต้องดัดแปลงวิธีการปฏิบัติ ต้องฝึกหัดดัดแปลงนะไม่ใช่ว่าเห็นตรงตามครูบาจารย์สเสมอไปมราต้องจักดัดแปลงความดับทุกขเป็นเรื่องของเราไม่ใช่ครูบาจารย์จะมาดับทุกให้ต้องแก้ไขรู้ว่าจริตเราเป็นอย่างไรจรเราเป็นอย่างไรเราต้องฝึกเจออุปสรรคเจอปัญหาฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเนี่ยก็เรกพึ่งตนเองธรรมะสอนให้พึ่งตนเองก็ ดัดแปลงวิธีการปฏิบัติเมื่อมันเคลื่อนไหวมือไม่ได้เอามันยังมีหน้าอยู่นี่ขาขยับไม่ได้แขนขยับไม่ไหวมันมีหน้าเนี่ยโอ้หน้าเรามีหลายอย่างที่มันจะเคลื่อนไหวได้แนวทางการเจตสื่แบบเคลื่อนไหวเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวได้นะ่ะเอาสติเข้าไปรู้สิตอนนั้นเป็นการจัดสติทั้งนั้นเลยเนาะทำงานดีโอ้เรามีตานี่ยนะ วันมันเราก็พิบตาต้องหลายครั้งแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลยนอนกระพิบตาเล่นออรู้สึกตัวไปกับการกระพิบตาหลังตาบังกระทบกันเนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวโอ้ยอียาบทเล็กๆล็น้อยน้อยเนี่ยแต่มีคุณค่ามหาศาลมากมันสร้างสติให้ใ ห, ใหญ่โตได้พิบตารู้สึกตัวแต่ทำนานไม่ได้นะธนานมันก็มึนเหมือนกันนะพิบตาแนละ มันก็เปิดปัญหาอีกแล้วเอา้าเรามีจมู ก, ข ย, ข, ยมกขยับจมูกเล่นบางทีมันคันนะขยับจมูกเล่นมือมันขยับไม่ได้ขยับจมูกแล้วรู้สึกตอนจมูกบานลองทำตามได้ น, นะคะมันมันสนุกนะมันสนุกที่จะเจริญสติมันหาเรื่องเปลี่ยนความเครียดเป็นความขำ้วานอนนอนตอนนี้ลืมความคิดไปแล้วไม่สนใจความคิดเลย ลืมปัญหาแต่มารู้สึกตัวมาสนุกกับการขยับจมูกขยับปากายักคิว้ว <c oughs> มาอก่อนยักคิ้วสองข้างโอ้มันเปลืองพลังงานเอาตีละข้างอน <c oughs> โอ้มันได้พลังจากตีละข้างนะยิ่งตรงไหนทํายากนะสติมันดีมากเลยเาปัญนะหาเรื่องกันต่อไปละก็ดีคูเล่น อมันสนุกไม่ทราบข้างหลังจะเห็นไหมคะจันกระดิกหูได้จริงๆนะคะทีละข้างหรือทีละสองข้างก็ได้ทั้งนั้นเลเดี๋ยวไปใกล้ๆทำให้ดู <laughs> <laughs> โอ้สนุกมากนะสิ่งนี้ไม่เคยทำได้แล้วไม่คิดจะทำด้วยแต่มันอยากจะพ้นทุกข์อ่ะมันต้องทำไม่ได้จุดไหนที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็สายฟาสติเราแบบันนะ <laughs> อยากเคลื่อนไหวฟรีฟร รู้สึกตัวไปการเคลื่อนไหวเล็กน้อยให้สติมันโคจรอยู่ตัวเราเนี่ยมันไม่ไปไหนนะชีวิตมันมีปัจจุบันแต่ไม่อยู่นะปัจจุบันมีไว้ให้ไปอย่าอยู่นะถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พิการอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะมันต้องไปจากปัจจุบันเลยไปมันพ้นไปเลยรู้สึกแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ย้อนกลับมาไม่สนใจหาเรื่องรู้เอาใหม่ หาเรื่องที่จะรู้สึกตัวแล้วมีคำคำหนึงที่หลวงพเทียนบอกว่าต้องต่อนเนื่องกันเป็นลูกโซ่โอ้โหมันไม่ยากสําหรับคนที่นอนปฏิบัติเลยนะคนเดินได้นะมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะแล้วยิ่งนอนอยู่ในห้องเล็กๆเนยสบายเนะลยเราก็หาไอเดียบทใหม่ๆส่วนตัวตะแคงซ้ายอ๋อมันรู้สึกตัวตะแคงขวารู้สึกตัว ไอ้ท่าตะแคงนี่ไม่เจตนาแต่มันต้องตะแคงเราจะนอนนิ่งๆอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันร้อนหลังมันเมื่อยอย่างที่คนพิการที่ไปไหนไม่ได้นนอนนิ่งๆ น, น, นานๆเนี่ยอันตรายมันเกิดแผลกดทัพเราไม่อยากไปอย่างนั้นมันก็หาเลือดทียจช่วยตัวเองพลิกตัวทางซ้ายทางขวาสติมันเกิดเองโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาตอนแรกเจตนาสร้างต่อมาเขาทําหน้าที่ของเขาเอง แม้ไม่เจตนารู้มันก็รู้ได้พลิกซ้ายพลิกขวาปั ส, สวะอยู่บนเตียงเรามีคอมฟอร์ตอยู่ช่วยรู้สึกตัวไปการปัสสาวะดื่มน้ำแล้วก็รู้สึกทานข้าวบนเตียงนอนทานข้าวนั่นแหละไม่ค่อยอยากลงรถเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกตัวโอ้ห่วงมากเลยนะให้ความสำคัญมากตัวนี้นะ ว่มีปัจจุบันเนี่ยมันแล้วมันก็พยายามชีวิตมันใหม่มันพ้นจากปัจจุบันแล้วมันใหม่อยู่เรื่อยเรากลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่เป็นคนพิการเดือมน้ําทานข้าวแปลงฟันดับทุกขอยู่บนเตียงนะผ้าห่มพระพ้าห่มผมไม่เคยพับผะาห่มเองแต่พอนอนเจริญสิแล้วพับผะาห่มเองได้ฝึกพับผ้าห่มนอนพระพ้าห่มนี่เคยทำบ้างอะไม่ใช่ง่ายนะเนี่ย มันทำได้นะใหม่ๆก็งิดนะแหมมันกวดจะจับได้นิ้วมือมันจับอะไรไม่ได้แล้วพ่อโหมันเล็กๆ่งจะจับได้ไงแต่เพราะมีสติมันเกิดความขยันเกิดความเพียรคนมีสตินี่มันขยันเองนะไม่ต้องมีใครมาบอกจับพ่อโหมาพับจับมงมไม่เท่ากันไม่ได้รีบไปไหนชีวิตที่เร่งรีบแหมรีบไปตายเพราะข้างหน้ามันมีความตายไม่ต้องรีบนะ อยูกับปัจจุบันแล้วก็พยายามผ่านจากปัจจุบันไปสบายๆมันมีรสชาติกับการพับะคมเนี่ยโอ้พับอยู่นั่นแล้วพับเสร็จไม่ดีคลี่พับใหม่ด้วยความรู้สึกตัวโอ้ขโมยความรู้สึกตัวไปจากการพับผอมมากมายเลยนะพับผคมสิ่งที่ยากกับกลายเป็นง่ายสิ่งที่อุปสรรคกับกลายเป็นสิ่งที่ต้องท้าทายต้องเผชิญทําอย่างนี้แหละ เมื่อเรานอนทำความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันตื่นได้กับเอี่องบทเล็กๆน้อยเนี่ยกับการต่อเนื่องเนี่ยจิตมันมีพลังขึ้นมาอาศัยสติประกบถ้าไม่มีการต่อเนื่องเนี่ยรับรองว่าสติไม่ไม่มีพลังถูกอารมณ์แทรกได้ง่ายมากผมก็อาศัยหลักการของหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวคลาดาให้รู้สึกตัว แล้วก็ใช้เทคนิคหลวงพ่อคำเขียนป ร, ประกอบกับประสบการณ์ของเราโอ้อาศัยหลักของพ่อคาเขียนอาศัยเทคนิคอาศัยหลักของหลวงพ่อเทียนเทคนิคพอคำเขียนประสบการณ์ของเราหลักการไม่ใช่ของเราเทคนิคก็ไม่ใช่ของเร า, เราแต่ประสบการณ์นี่ของเรามาทำตรงนี้มารู้กายเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้รู้ซื่ อ, อใช่ไหม หลวงพ่อเขียนมีเทคนิคให้รู้แบบดูๆ <c oughs> คือเป็นผู้ดูเราก็สายอย่างนี้นะรู้แบบดูๆเป็นผู้ดู <c oughs> พอสติมันเป็นผู้ดูเนี่ยย่าที่ทำจิตมันตื่นมันตื่นต่อเมื่อเราเป็นผู้ดูนะถ้าไม่รู้ซื่อๆไม่รู้แบบดูๆไม่เป็นผู้ดูจิตไม่ตื่นมันตื่นจากอะไรตื่นจากความง่วง <c oughs> มันไม่ง่วงแล้วเพราะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ง่วงมันง่วงไม่ได้เพราะมีการเคลื่อนไหวกวนจิตอยู่เรื่อยๆมันตื่นจากความสงบไม่สงบอยู่ข้างไหนตื่นออกมาเป็นผู้ดูความสงบตื่นออกมาจากความคิดไม่เห็นความคิดด้วยการฝึกแบบเนี้ยตรงนี้แหละการปฏิบัติจะยาวไปทั้งเห็นรูปเห็นนาม รูปทำนำทำตา ม, ตามที่หลวงพ่อเทียนบอกใช่ไหมขยับกายใจรู้ทันเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้ทางการปฏิบัติแล้วอยู่กับความสงบแต่ให้ไปจากความสงบซะอย่าไปอยู่จริงๆรู้สึกกับการเคลื่อนไหวอย่าอยู่กับการเคลื่อนไหวไปจากการเคลื่อนไหวของกายให้ไปพ้นอย่าอยู่กับการเคลื่อนไหวนะจิตมันจะทรงมันจะเพ่งลงไปใ ฐานของสติรู้กายเนี่ยต้องให้ชํานาญให้มันมั่นคงแล้วเรื่องไปดูจิตเนี่ยมันไม่ยากหรอกจิตเขาก็จะมาเข้าแถวให้ดูตามที่หลวงพ่อคําเขียนบอกมาให้ดูเองเนี่ ย, ยตอนจะดูจิตเนี่ยมันสนุกหลวงว่อเทียนเคยบอกไว้ว่าเมื่อรู้รูปนามแล้วมันก็จะเกิดวิปัสส น, นูวิปัสสนูเนี่ยมันก็ต้องแก้โดยการมารู้กายก็จบ ความง่วงความคิดความสงบแก้ด้วยการมารู้กายทั้งหมดเลยการรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันแก้อารมณ์แน่าสารพัดอย่างอย่าลืมกายอย่าทิ้งกายถ้าทิ้งกายเมื่อไหร่เท่ากับเราเป็นคนทิ้งบ้านมารู้กายต่อไปมันจะเห็นความคิดเมื่อมันผ่านวิปัสสนูไปแล้วผ่านโดยการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มารู้กายทิ้งมันนั้นจะ ไอตอนดูความคิดเนี่ยเราหลวงพ่อเทียนบอกว่าเมื่อเห็นรูปนามแล้วนะยาวจิตไปดูรูปนามไปดูความคิดเลยแต่อีตัวเนี้ยสาคัญมากอีต้องดูความคิดเนี่ยหลวงพ่อเทียนหนังสือของท่านเนี่ยผมวางไว้ข้างหมอนไม่ได้เปิดแล้วแต่อุ่นใจนะเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยมีหนังสือครูบาอาจารย์เงาวิธีปฏิบัติกรรมฐาน ข้ลงพ่อเทียนแล้วก็ไม่มีไม่เป็นหลวงมเขียนประกบอยู่ที่ละ <c oughs> กําลังใจ <c oughs> กําลังใจเหมือนพลักเครื่องนะแต่เราไม่มีพ้าเครื่องนะมีหนังสือวางแล้วก็จะดูจิตเจตนาดูจิตตั้งใจดูจิตเมื่อมีสติเนี่ยความคิดไม่เกิดหรอกจิตไม่ทําหน้าที่ยามใดมีสติความคิดไม่เกิดมันทํางานไม่ได้ เขามีสติเฝ้าดูอยู่นึกถึงคำที่หลวงพเทียนบอกว่าสติคือแมวความคิดคือหนูเราก็ทาหน้าที่เหมือนเหมือนแมวจับหนูเหมือนกันแต่ว่าเราไปเฝ้าดูที่รูหนู <c oughs> หนูก็ไม่ออกมาไปเพ่งดูเนี่ยมันไม่เกิดหรอก ความคิดไม่มีไม่มีเสียเวลาไปเฝ้าดูความคิดเส้นตงนานลืมกายต้องทิ้งมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายนอนพลิกมือเล่นๆตอนนี้ทําเล่นๆแบบล้มๆแบบเบาๆแบบซื่อๆจริงๆทำเบาๆเล่นๆมันจะมีความคิดผ่านมาเป็นเป็นเงาไม่ชัดเจนแต่รู้ว่ามีความคิดผ่านมาตรงนี้ละ่ะ เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้ที่ความคิดมันเกิดได้เพราะเราเผลอสติเพราะเผลอสติความคิดมันจึงเกิดถ้าไม่สติเมื่อไหร่เนี่ยความคิดไม่เกิดหรอกพอเผลอสติปั๊บความคิดเกิดเหมือนแมวที่จ้องจับหนูเนี่ยถ้าแมวเผลอหนูมันออกมาจากรูเหมือนกันพอความคิดเกิดเราเผลอหลงอยู่ในความคิด คิดเป็นเรื่องเวลาเหมือนแมวเผลอหนูออกมาแมวเห็นหนูแมวก็วิ่งไล่จับหนูไม่ทันหนูเชน่นเดียวกันเลยโอ้ ift, นี่เราที่ผ่านมาจากการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราเผลอคิดปรุงแต่งเรื่องการปฏิบัติแทรกแซงต่างๆนานาๆนะ ม, มากมายอยากให้มันไวอยากให้มันเร็วขยันเข้าไปทำเข้าไป มันมีตัณหาอยากจะพ้นทุกข์อ๋อตัวนี้ตัวสำคัญเลยตัวความคิดที่เป็นตัวตนอยากจะพ้นทุกข์แล้วก็พยายามแทรกแซงการปฏิบัติสารพัดอย่างให้มันไวให้มันดีมันเกิดการเพ่งตามาคือความเกลียดมันก็ไปทุกข์อยู่แล้วพอรู้ทำตรงนี้แล้วเนี่ยต้องไม่สนใจกับความคิดมารู้ที่การเคลื่อนไหวเรื่อยๆเนี่ยรู้ตามเบสิกที่เราเคยทามาเนี่ยรู้เล่น แต่ตัวนี้ต้องรู้แบบคลายๆหน่อยอย่ารู้แบบเอาจริงว่าจังรู้แบบคลายๆเลย yeah. Yeah. การรู้แบบนี้เท่ากับเป็นการให้อาหารแมว <Yeah. S 1> การเจรสติไปเรื่อยกับการรู้กาย <Yeah. S 1> แล้วต่อไปเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะเห็นความคิดชัดเจนขึ้นไปเองอย่าไปเร่งจิตต้องให้เห็นไม่ใช่ให้จิตเขาพัฒนาตัวเขาเองด้วยการฝึกสตินี่แหละ <Yeah. S 1> เขาจะพัฒนาตัวเขาเอง มันจะไม่มีตัวตนที่จะไปดูอะไรหรอกอมันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติแค่รู้กายเบาๆจากการเคลื่อนไหวนอนปฏิบัตินอนเจ ร, ริญสีเนี่ยก็สามารถเห็นความคิดได้เพราะนั้นหลุงพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดมันแก้ปัญหาตรงนี้ได้อยากเห็นความคิดต้องฝึกสติแบบผ่อนคลายพระพุทธเจ้าเนี่ย บัญยัติสติปัฏฐาน4ี่โดยเฉพาะหมวดกายานุปัสสนาสีประฐานว่าเมื่อเราทำาอีวบทอิริาบทใหญ่นอนนั่งยืนเดินเนี่ยก็ให้รู้อิรยาบทย่อยคู่เหยียดก้มเงยก็ให้รู้เวลาคิดก็ให้รู้เพราะนั้นอิริยาบทนอนจลสติเนี่ยผู้เจ้าอนุญาตแต่อุปสรรคคือคนที่ขี้เกียจนะ่ มันนอนปฏิบัติตรงนี้ไม่ได้หรอกคนขี้เกียจปฏิบัติไปนอนปฏิบัติเนี่ยมันอันตรายเป็นปัญหากับนักปฏิบัติที่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นอิีลาบทนอนเนี่ยสงวนไว้สําหรับคนที่การคนแก่คนไปไม่ไหวแล้วโครคใกล้เจ็บนะอย่าไปแย่งเขาทั้งหมดนะเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีีลาบทปฏิบัติเพราะฉะนั้นการนอนจิต ส, สติเนี่ยก็สามารถทําให้จิตตื่นได้แล้วก็เห็นความคิดได้ด้วย แล้วก็สามารถเห็นต้นตอของชีวิตจิตใจต้นตอของชีวิต จ, จิตใจคืออะไร <c oughs> คือความเป็นปกติของจิตจิตที่ปกติจืดๆเนื้อสุขเนื้อทุกข์เหนือเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายคือจิตที่เป็นปกติคะ่ะจิตที่เป็นปกติมีในเราแล้วหรือยังคะ ถ้าใครมีแล้วอนุโมทนานะคะแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจารย์ก็ได้ให้หลักไว้ชัดเจนพอสมควรนะคะเรามีทั้งหลักการจรรญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพได้ฝากไว้ให้เราได้ศึกษาปฏิบัติกันหลวงพ่อคำเขียนสวนโนท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้ไปขอเทคนิคได้อีกทั้งครูบาอาจารย์ต่างๆในสายงานหลวงพ่อเทียนก็มีมากมายนะคะใครที่ ได้เริ่มฝึกมาแล้วก็อาจจะเข้าใจหลักการเทคนิคดีพอแล้วคงเหลืออันสุดท้ายอันเดียวกระมังคะคือประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนนะคะที่จะต้องไปฝึกปรือกันเองนะคะทํามากก็ได้ผลหลวงพ่อเทียนใช้คําว่าคนจริงรู้ของจริงใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะหลวงพ่อเทียนท่านท้าทายนะคะที่จริงท่านท้าทายเลยว่าถ้าใคร ตั้งใจปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางที่ท่านวางไว้เนี่ยนะคะอย่างช้าไม่เกิน3ปีนะคะแต่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องอย่างจริงจังด้วยนะคะอันนี้แหละคะ่ะเป็นเรื่องใหญ่ของเราแต่ละคนเพราะว่าโอกาสที่จะปฏิบัติต่อเนื่องอย่างจริงจังในคลาวา่าเนี่ยยากมากนะคะยากมากแต่ก็เป็นอะไรที่เราได้เห็นบุคคลที่ท่านปฏิบัติได้ แล้วเราก็จะพอมีกำลังใจลคะ่ะที่จะปฏิบัติตามบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์กาพลแนะนำว่าขยับกายใจรู้ทันเนี่ยเป็นคำที่ฟังง่ายๆแล้วก็น่าจะเอาไว้เป็นแง่คิดในการปฏิบัติได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของอาจารย์กาพลเนี่ยนะคะอยากจะถามนิดนึงนะคะ่ะอาจารย์คะว่าการที่อาจารย์ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมานานเนี่ยมีคำสอน ในส่วนใดของหลวงพ่อเทียนที่อาจารย์รู้สึกประทับใจมากที่สุดก็มีคนรอเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดนี่แหละอันนี้เลยนะคะ <S <S มันเป็นต้นต่อของปัญหาของเราพอดีไอ้ที่ประทับใจเพราะว่ามันคือปัญหาของเราแล้วท่านลงรายละเอียดที่ว่าเพราะความคิดเราก็ท่านขยายว่าเมื่อเกิดความคิดเราเข้าอยู่ในความคิดมันใช่เลยเอาความคิดเป็นเราซะแล้วเนี่ย ตัวเนี้ยคือตัวปัญหาของเราแท้ๆเลยแล้วถ้าจอะกับความคิดได้เนี่ยหลวงพ่อเตียนไม่ได้ให้ดึงออกมาง่ายๆท่านบอกว่าเพียงแต่อย่าไปห้ามความคิดและอย่าไปตามความคิดอย่าไปขึ้นอยู่ความคิดแต่ให้รู้ความคิดเออนี่มันรู้ความคิดนี่มันง่ายมากเลยคนเราเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะห้ามความคิดใช่ไหมพยายามกดทับมาเปล่าตาวอะไรไปจะถามว่า เวลาคิดทําไงเราก็ดึงดึงจิตออกมาจากความคิดแสดงว่าไม่แบบว่าลังเกียจความคิดแล้วก็ไปกดทับดึงมาเพื่ออะไรเพื่อให้ความคิดมันดับไงเห็นไหมไปยุ่งออกับความคิดฝ <laughs> ึกใหม่ๆอย่าไปยุ่งออกับความคิดนะรู้สึกไปนเงี้ยไปเรื่อยๆนะมันก็เดินโคโะเลนกับความคิดอยู่แล้วเนะพราะเราชอบไปยุ่งไปหาเรื่อง <laughs> นะมันก็เลยหลงไปกับความคิด ตรงเนี้ยสาคัญมากนะเนี่ยปัญหาคือการไม่เห็นความคิดนี่แหละประทับใจคําสอนแนวปฏิบัติตรงเนี้ยอีกหลายอีกหลายกับพูดที่ท่านพูดเอาไว้นีแต่ตรงเนี้ยประทับใจมากเพราะมันสามารถแก้ปัญหาเราได้ค่ะที่จริงอาจารย์ก็เล่าไปแล้วในเบื้องต้นนะนะคะแต่ว่าอยากจะย้ําตรงนี้อีกนิดนึงว่าที่เราเป็นทุกกันทุกวันนี้เนี่ยใช่หรือไม่ว่าเราไม่เห็นความคิดของตัวเราเองนะคะหากว่าใช่อาจารย์ก็ได้ บอกวิธีที่เราจะปรับจะแก้จะฝึกฝนกันแล้วนะคะไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรอาจารย์กำพลไหมคะมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยถ้าเผื่อว่ามีท่านใดถามเนี่ยไม่ทราบทางทีมงานจะให้ทำยังไงคะส่งคำถามหรือว่าส่งไมเลยคะ ใช้โอกาสนี้กันเลยค่ะเผื่อว่าคําถามของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของเราที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยครับเรียกคถามอาจารย์จําพลให้ช่วยขยายความที่บอกว่าไม่ยุ่งกับความคิดนะครับเพราะว่าบางครั้งบางเวลาคิดปุ๊บเราก็ปัดทิ้งไปอย่างนี้มันถือว่ายุ่งหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าตอนสติยังไม่ไม่คมบางทีมันก็ไม่ขาด บ, บ๊อบมันเหมือนกับว่าพอรู้ว่ามีความคิดก็ก็ปัดไปเลยอย่างนี้ถือว่ายุ่งไหมครับอ่าก็มีคําถามว่า จะมายุ่งกับความคิดนี่ทำอย่างไรการปัดไปเลยเพาว่าเป็นการยุ่งกับความคิดหรือไม่เราต้องดูว่าภาษากับตัวปฏิบัติเนี่ยมันมันต่างกันตัวปฏิบัติเนี่ยภาวะจริงๆเยนะมันอัตคัดมากที่จะใช้ภาษาให้มันตรงภาษานามมารรเนี่ยแล้วมาพูดเป็นภาษารูปธรรมเนี่ยมันยากมาก ไอการไปยุ่งกับความคิดเนี่ยคือเราอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปสนใจอย่าไปบังคับอย่าไปห้ามนะถือว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของความคิดบางที่คือส่วนหนึ่งของชีวิตต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันเราก็จเจริญสติทําความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวไปไเรื่อยๆนะบางทีไม่ต้องไปดูเขาด้วยตั้มไปนะเขาก็พยายามที่จะล่อให้เราดูทุกั้งนะเพราะเปลอสติเมื่อไหร่ความคิดก็มา ล, อล่อเราทุกที ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปยู่การปัดทิ้งคือการรู้ทันแนวทางของหลวมเทียนเนี่ยไม่ได้ทำลายนะไม่ได้ฆ่าไม่ได้ห้ามไม่ได้ตามแต่แค่รู้ทันนะั่นะถ้าถ้าไม่รู้ทันความคิดเนี่ยเราก็หลงอยู่ในความคิดแค่รู้เนี่ยการรู้ความคิดบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยนะคือการเหมือนการพิจารณาเหมือนกันนะแต่พิจารณาแบบ แบบรู้สึกตัวไม่ไพิจารณาแบบความคิดรู้ทันก็จบเป็นการตัดเป็นการวางเป็นการไปซสียจากความคิดไปจุ่งของความคิดคือการไปเฝ้าดูมันจนกระทั่งไม่มีอิสระในชีวิตเพราะมันคิดแล้วก็ผ่านเลยไปไปซสจากความคิดไปซสจากปัจจุบันไปจากการเคลื่อนไหวของกายไปพ้นใจจะไปอยู่ตรงนั้นนะ ชีวิตจะได้เกิดขึ้นเป็นจิตดวงใหม่จิตที่รู้ทานความคิดนั่นมันดับไปแล้วแต่มีจิตดวงใหม่ที่มันพ้นจากความคิดไปแล้วจิตที่มันเกิดดับไว้มากมันเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยเกิดใหม่เรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปด้วยแบบไปแล้วมันหลงมันเผลออย่าไปยุ่งเลยทิ้งไปเลยรู้เอาใหม่รู้เอาใหม่อย่าต้องดึงจิตมาต้องชักกลับมาไม่ต้องใช้เวลาเราเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันเผลอไปเนี่ย อย่าไปดึงกลับมาไปดึงกลับมาก็กลับไปอยู่ปัจจุบันถอยหลังเนี่ยก็รู้เอาใหม่สิ <c oughs> ก็รู้ใหม่สิไม่ต้องใหม่แบบนี้นะมันเป็นชีวิตใหม่นะเนี่ยอย่างนี้แหละเราจะรู้ว่าอ๋เราเปลี่ยนแปลงไปมันต่างเก่าเนี่ยเพราะของเก่ามันจะดึงมันจะยุ่งรู้ใหม่รู้ใหม่หม <c oughs> แต่มันมันแปลกนะบางทีปฏิบัติไปเนี่ยมันเกิดความสงสยัยเอ้ยความคิดเนี่ย หลวงพ่อเตียนบอกสติคือแมวความคิดคือหนูเอ๊ความคิดเมันจะเหมือนหนูไหมเนาะ <c ười> คือไปยุ่งอะ่ะไปสร้างรูปลักษณ์ความคิดเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเหมือนหนูไหมเนาะหนวดมันจะโผล่มาก่อนหรือหางเนาะ <c ười> อย่าไปรอแบบนั้นนะมันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตื้อมันก็รั่วใหม่สิมันคิดทั้งวันอยู่แล้ว ไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็ต้องรู้ไม่รู้ข้างหน้ามันก็รู้ต่อไปเรื่อยตายไปไปนรู้ชาตินาคืมันรู้จนได้ลนะเพราะเมื่อเผลอเมื่อไรแล้วก็มันจะรู้แต่สำคัญว่าอย่าทําแบบเพ่งให้ทําแบบผ่อนคลายให้เคร่งคัดในการปฏิบัติอย่าเคร่งเครียดเคร่งคลายคลายทาเล่นๆเพลินๆไอ้พวกนี้มันพร้อมให้เราดูอยู่แล้ว แต่เราดูไม่เห็นเพราะว่าเราโมวแต่ไปยุ่งกับความคิดไปคิดค <c oughs> พอใช้ได้นะคะท่าไม่ทราบว่ามีมีท่านใดจะมีคำถามอื่นไหมคะค่ะถ้าถ้ามีก็เชิญอีกสักคำถามหนึ่งยังพอไหวัหยคะเวลาใกล้หมดแล้วยังคะคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดเพราะว่าเราไม่เห็นความคิดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ยากจริงๆค่ะอาจารย์แต่ <c oughs> แต่แต่ก็ ต้องต้องฝึกกันเลยนะคะเทคนิคที่อาจารย์ให้ไว้นะคะที่ว่าใช่หลักถ้าเราอยากเห็นความคิดเนี่ยให้เราเจริญสติแล้วการที่เรารู้ตัวบ่อยๆก็จะทําให้เราชัดเจนขึ้นนะคะจะไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอไปในความคิดไม่หลุดไปในความคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะถ้าไม่มีคําถามอื่นก็ไม่ทราบอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงไหมคะเออ สำหรับคนที่ยังมีความทุกข์เพราะความคิดอยู่โปรดฟังทางนี้โปรดฟังทางนี้คะ่ะบางทีเราอาจจะได้รับคำํำแนะนาว่าอ๋อเราต้องคิดมองโลกในแง่บวกคิดดีๆนะชีวิตเราจะดีก็ทําอย่างนั้นได้แต่ระวังนะอย่าติดในความคิดดีความคิดดีมันก็มีเสน่ห์แต่ว่าคิดที่เป็นกุศลเนี่ยคิดอ่า ฟุ้งซ้านในธรรมก็มีดังนั้นความคิดจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตามมันก็เป็นเหตุปัจจัยเกิดความทุกข์ทางนั้นนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นคิดดีได้แต่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางใช่เมื่อเราเห็นความคิดเนี่ยเราปล่อยวางความคิดเนี่ยเรื่องของจิตนี่ไม่ยากหรอกเราจะรู้แล้วว่าอ๋อแหล่งผลิตความคิดนั้นก็คือจิต มันจะไปเห็นจิตเองอย่าไปดูจิตมันไม่มีตัวให้ดูหรอกดูอาการของมันก่อนเดี๋ยวจะเห็นจิตที่แท้ที่เป็นปกติที่เป็นต้นตอของชีวิตจริงๆเนเพราะนั้นถ้าเรายังเป็นทุกข์เพราะความคิดเราก็จเจริญสติมากๆทําความรู้สตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกายรู้สึกตัวไปกับการคิดนึกให้รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป ทั้งกายเคลื่อนไหวทั้งใจคิดนึกรู้และปล่อยให้ผ่านไปอย่าได้ไปจู้จกับเขาชีวิตเราก็จะเป็นสายกลางตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัตในรูปแบบจะยืนจะเดินจะนั่งจะเคลื่อน ไ, ว ไ, ไหวอะไรก็ตามถ้าเราทาไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีอิเลียบทสุดท้ายที่รองรับชีวิตของเราคือนอนตอนเราเกิดมาเราก็นอนมา ทุกวันนี้เราก็ชอบนอนอยู่แล้วก่อนจะตายเราก็ต้องนอนไปเพราะฉนั้นอธิยาบทนอนเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่คิดว่าทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วคนป่วยคนไข้คนพิการหรือแม้แต่คนนั่งตาแป๊วๆเดินได้เงี้ยสักวันหนึ่งนะเราอาจจะต้องไปอยู่ในห้องในโรงพยาบาลที่คุณหมอบอกห้ามลงจากเตียง เพราะสายระโยงระย า, ยามันมากมายตรงนี้ลหละมันเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเราจะมีเครื่องอยู่คือการเจริญสติกับฟิปตาลม ใ, ใจัยตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตถ้าไม่ฝึกตรงนี้นะเมื่อเวลาเราต้องอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเราทุรนทุรายมากเราจะพูดวายหาทีวีหาอินเทอร์เน็ตหาเพื่อนมาคุยจิตไม่มีเครื่องอยู่ น่าสงสารอนาถาให้มีการจริตติเป็นเครื่องอยู่เอาไว้ก่อนถึงเวลาสิ่งวันนี้ก็จะเป็นชีวิตของเราเองใหม่ๆเจตนาทำต่อไปไม่ต้องหรอกมันคือชีวิตความรู้ ต, ตัวคือชีวิตนะและเราไม่ท้อถอยเรื่องการปฏิบัตนะิเราก็จะพบกับความคิดที่ปราศจากตัวตนพร้อมกับจิตเดินแท้ๆ คือความสะอาดสว่างสงบนะก็ขออวยพรในทุกท่านเนี่ยนะขอให้มีความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องในทุกอิเลียบดตลอดทั้งวันจนเกิดเป็นปัญญามีดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งประจักษ์สัจธรรมตามรอยหลุ่วเตียงด้วยการทุกท่านทุกคนเถิด